ผู้ฝึกสมาธิดึงใจตัวเองได้ทันก่อนมือหายไปจากงานตรงหน้าเมื่อมีสองเรื่องเป็นความคิดอยู่ในหัวพร้อมๆกันคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการฝึกจิตจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกคิดเรื่องใดดีฉะนั้นจึงเกิดภาวะชะงักงนันสับสนสติพร่าเลือนไป อย่างน้อยก็ชั่วขนาดใหญ่ๆนานพอที่จะเลื่อนลอยเมื่อหายไปจากเรื่องที่สมควรทำตรงหน้าคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิไม่ใช่คนที่นั่งหลับตาปั้นหน้าขรึมให้คนอื่นดูแต่เป็นคนที่รู้ใจตัวเองและดึงใจตัวเองได้ทันก่อนเมื่อหายไปจากงานตรงหน้าเมื่อไม่เมื่อหายบ่อยเข้า ใจก็ข้ามผ่านความคลุมเครือมาหาความแจ่มใสจิตใจที่เป็นสมาธิคือจิตที่หนักแน่นสะอาด จ, จากกิเลสจรผู้ฝึกสมาธิที่แท้จรนั้นเมื่อว่างจากงานเลี้ยงตัวก็จะหางานเลี้ยงใจงานเลี้ยงใจที่พระพุทธเจ้าสันเสริญที่สุดคือการไม่ลืมลมหายใจตัวเองไม่ลืมกิริยาท่าทางของตัวเอง กระทั่งสามารถรู้ใจตัวเองได้ทุกสถานการณ์รู้ว่ากําลังสุขสบายหรืออึดอัดเป็นทุกข์รู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านหรือสงบรู้ว่ากําลังหดหูหรือแช่มชื่นการรู้จักตัวเองอยู่ทุกนาทีไม่เหม่อไปหาตัวเขาตัวใครตัวอื่นข้างนอกจะพัฒนาเป็นสมาธิอีกแบบไม่ใช่แค่ตั้งมัน่นแต่จะเป็นอิสระจากความหลงยึด เลิกเครียดเลิกกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือแม้เรื่องที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ใช่อะไรที่จะปากหลักให้เอาจริงเอาจังไปจนตายเลยสักเรื่องเดียว